บุกทูหกสิบสี่เซสกวารการปฏิเสธหนึ่งในาโดคูนดิฉันไม่เข้าใจคำสาบมิเนคมเพลนัสลาวอร์ตันดิฉันไม่เข้าใจประโยค มิเน่เข้นไมิ่เข้าใจความหมายนคุณม่เข้าใจความหมายคุณเข้าใจคุณครูมหมใ ค, ควาหมเ่ข้าใจคว่คหมิ่คน่เข้าใจคน่เข้าใจคน่เายินนเข้าใจ่าน มีบเน่เข้าใจนัสลินคุณครู la i n นสตรูอคุณเข้าใจคุณครูไหมคะชูวิ i ข้าใจนัสลาอินสตรูอิสติโนนค่ะดิฉันเข้าใจท่านดี Yes มีบเน่เข้าใจนัสลิผู้คน ลาฮอมยคุณเข้าใจผู้คนไหมคะชูบิคอมเพลนัสลาฮอมอยไม่ดิฉันไม่เข้าใจพวกเขาสักเท่าไหรค่ค่ะแน่มีนเนทเรย์บอเนคอมเพลนัสดีลินเพื่อนหญิงแฟนลามิคิโนคุณมีแฟนไหม ชค่ะดิฉันมีย <Yes, yeah. S 2> ลูกสาว la <Fil> คุณมีลูกสาวใช่ไหมชฟินไม่ดิฉันไม่มีลูกสาวนนนียุน